อุปทานเนี่ยแน่นบริหาพยายามถอนลากถอนคนออกกำมเพราะการกระทาเป็นวิบากสวยทุกสวยทุกคนว่าอย่างไนเห็นอันนี้แหละเข้าใจอย่างสิ่เมื่อเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จื่อจางไปแล้วก็ยังทำการทำงานอยู่เฮ็ดให้เฮ็ดนาะเฮ็ดโฮเฮ็ดสวนอยู่ซื้อขายได้อยู่คนคันบเฮ็ดให้บบเฮ็ดนาะ